ครับอยากให้เล่าหน่อยครับว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับผมมาเริ่มก่อตั้งศูนย์พานคอยที่นี่ได้ยังไงครก็เริ่มจากมัดไปใช้ชีวิตที่อเมริกานะครับเรารู้สึกมันมันจะอิ่มตัวเราหาคําตอบตัวเรแล้วว่าอะไรคือความสุขแท้ครับถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆว่าเล่นเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขนะเมื่อมีโอกาสได้อเมริกาเราก็มุ่งมั่นซื่อสัตย์มากกับคําสอนแบบนั้น การมุ่งไปข้างหน้ามุ่งมั่นสร้างฐานะเพราเราเขาสอนเราว่าถ้ามีฐานะเศรษฐกิจดีชีวิตจะมั่นคงจะมีความสุขทีนี้พอทำแล้วอาจจะ บ, บุญเก่านะเราจับงานอะไรมันก็สำเร็จระดับหนึ่งก็เอาเป็นว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจอะไรเนี่ยแต่ว่าเราหาความสุขไม่เจอนะครับก็เอาสั้นๆว่ า, าไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยนั่งสมาธิครนะชีวิตนี้นะ ก็นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่ก่อเนิด40ปีเนาะก็คืนนั้นเที่ยงคืนคือกลาวันเราไปบริหา ร, รธุรกิจคอมพิวเตอร์กันกลางคืนเราก็มาดูแลร้านอาหารคนละร้านกว่าจะกลับก็เที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันตอนนั้นพระครูอายุประมาณเท <c oughs> ่าไหร่ครก็วินาทีที่มันจะเปลี่ยนคือ40 40ครับ40เป๊ะเลยนะเฟฟฝรั่งบอกเพิ่งเริ่มต้นกาลังประสบการณ์เยอะกาลังจะทํางานใหญ่เนาะกําลังจะเปิดแฟนชายร้านอาหารกําลังจะ ยายไอ้ธุรกิจคอมพิวเตอร์แต่ว่าลึกๆมันมันมันรู้สึกเบื่อครับนะเบื่อโดยไม่มีเหตุผลเราไม่รู้ว่ามันเบื่อเพราะอะไ ร, รนะฮะทีนี้ก็หาคำตอบแล้วแบบไหนละมันคือความสุขแท้นะครับตอนนั้นเราใช้เงินซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าให้มันสาใจให้มันสะดวกสบายนะแล้วสุดท้ายมันก็เบื่ออีก ก็คืนนั้นการจะเปลี่ยนชีวิตเราก็คือเที่ยงคืนหลังจากเขาเด็กๆ เ, เขาเคลียร์บัญชีร้านอาหารเสร็จพ่อคูไม่กลับบ้านก็ล็อกกุญแจร้านอาหารก็เป็นครั้งแรกที่นั่งสมาธินะครับก็ไม่ได้พูดรายละเอียดนะก็รเริ่มจากเที่ยงคืนจนถึงตีสมมันเกิดอาการเหมือนระเบิดอะ่ะเหมือนระเบิดนะเหมือนมันโบกระจุยกระจายหมดเลยนะพ่อคูก็สัมผัสคําว่าสว่างสงบสะอาดหลังจากนั้นก็มุ่งมาเส้นทางนี้ก็เดี๋ยวนั้นเลยฮะ นะครับก็พอเสร็จแล้วเนี่ย เ, เราเดินไปดื่มน้ําเปิดตูด้เย็นนะเหมือนเราครับเหมือนเหมือนเรามีตัวเบาหมดเลยนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็บุหรี่ยังอยู่ในกระเป๋าก่อนอนั่งก่อนก่อนนั่งเวลานั้นไม่มีศีลครับศีลห้าบอกไม่ให้ทําอะไรทั้งหมดอเราเป็นคนหนุ่มทเทีย่ยวเตระตามภาษาคนหนุ่มเนาะไม่ไม่มีสินแบบนั้นครับแต่ว่าเป็นจิตใจที่มันค้ายันเราตอนนั้นคิดว่าคงเป็นเรื่องฐาน ขอมาให้เลยอเป็นคนใจกว้างเรื่องนี้นะแต่สินห้ามไม่มีวายมุกอะไรเต็มที่เรียบร้อยเพราะเพราะเราถูกสอนว่าความสุขมันคืออย่างนั้นไงเอาเงินมาซื้อทุกอย่างที่ขวางน่าหาได้จากข้างนอกใช่แต่พอนั่งเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนเลยครับเลิกตีกอล์ฟเลกตกปลาอะไรเนี่ยเลิกยิงนกตกปลาเลิกหมดบุหรี่ก็สูงไม่ได้เหล้าก็กินไม่ได้คือมันหยุดเองครับคือฉับพลันเลยนะฮะจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วก็25ปี ตอนนี้พ่อครูอายุ25่สิบเอาหกสครับหาครับหกครับเนี่ยผมอ่านหนังสือพระครูผมก็สงสัยตรงนี้ครับว่าจุดที่พ่อครูพูดเนี่ยคือทุกคนสามารถไปถึงจุดเดียวพ่อครูได้คือถึงไม่รู้เรียกใช้คําว่าหลุดพ้นหรือนิพพานหรือว่าหลุดจากทางโลกหรืออะไรดีแต่ว่าเหมือนกับคนอื่นเขาบอกว่าต้องฝึกไปเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนแต่รพระครูพยายามบอกกับพวกเราในหนังสือแล้วก็ตัวพระครูเองว่ามันทําได้เลยที่นี่เดี๋ยวนี้ครับครับครับ ก็นี่ประสบการณ์ที่เราผ่านมาเขาบอกวแม้กระทั่งว่าบางคนบอกว่าทีละขั้นต้องเริ่มจากมีศีลก่อนครับไหเราจะเอาศีลมาจากไหนะเราไม่มีเลยถ้าคุดว่าเราไม่มีศีลเราก็ไม่มีสิทใช่ไหมล่ะเริ่มจากตัวพราครูเป็นตัวอย่างที่ที่ที่ชัดเจนว่าพ่อครูไม่มีศีลห้าแบบนั้นอืไม่มีแล้วก็พ่อคุณเริ่มจากสมาธิในสมชั่วโมงนั้นนะมันก็เปลี่ยนแปลงปึ๊บเมื่อมันเกิดปัญญาแล้วเนี่ย มันไม่ต้องถือศีลแต่มันไม่ทําชั่วแน่นอนศีลตามมาเองศีลคือความปกติของจิตจิตปกติสมมุติว่าเราเป็นทาสานครับเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราไม่รู้ว่ารถแพงๆมันคืออะไรเราไม่รู้อะไรเราก็ไม่มีความอยากได้เห็นไหมทาสานมีศีลอยู่แล้วนะทาสานคือมนุษย์ที่ไม่เคยได้รับการปรุงแต่งอะไรเข้าไปทาสานหมาถึงชาวป่าไม่เกี่ยวอะไรกับสังคมเลยเขาไม่มีความอยากแล้วเขาจําเป็นทําไมต้องโกหกครับ เขาไม่รู้เล่าคืออะไรอะไรเขาไม่ต้องจินใช่ไหมนี่สินคือความปกติของจิตเพรอไอ้คำว่าระเบิดปุ๊บเนี่ยไอ้ความปกติตัวนั้นมันกินขึ้นเกิดขึ้นกับเราเลยนะจนทุกวันนี้พวกคูมาอยู่ที่นี่ยี่บห้ปีเมื่อกี้ถามว่าพ่อคูกินข้าวหรือ ย, อยังพ่อคูกินตอน8ปดโมงครงึตอนเช้าแล้วก็กินมือเดียวไม่ใช่พ่อคูถือสินนะมันกินแค่นั้นมันก็พอเอาเป็นว่ายี่บห้าปีก็ไม่ต้องถือสินอีกแต่มันไม่ทําชั่วแน่นอน ค, คือแนวคิดอื่นๆคือการ ฝึกจากศีลและสมาธิคือฝึกจากข้างนอกวงนอกเข้ามาข้างในแล้วก็ถึงจุดหนึ่งปัญญาจะเกิดใช่ไหมฮะแต่ของพ่อครูคือรู้สึกว่าลองอยู่ดีๆมีสมาธิขึ้นมาปัญญาเกิดปุ๊บศีลตามมาเลยครับผมจากข้างในสู่ข้างนอก ท, ที่เราเรียกว่าจากข้างในคืออินไซน์เอาอืมครับผมอินไซน์หลายปีที่บ่านมาพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านเรียนมหาละไท่านก็มาปฏิบัติแล้วแลกเปลี่ยนอะไรกันเนี่ยเขาท่านบอกว่าสิ่งที่พ่อครูทำทั้งหมดนี่มันเป็นมรรคพ่อครูว่ามรรคคืออะไร คือเพราะกูไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมาไม่รู้เพราะกูไม่รู้ภาษามันคืออะไรมากแต่ทุกอย่างมันเป็นมากหมดครับเนี่ยที่ว่าถ้าจิตมันเข้าถึงแล้วโดยธรรมชาติของจิตแล้วเนี่ยเขาก็ทําตามความเป็นจริงว่าอะไรที่ที่ควรทําไม่ควรทําเขาไม่ต้องถือศีลนะมันเป็นมากหมดอินไซด์เอาครับขนาดที่กฎระเบียบที่เป็นศีลเป็นข้อบัญญัติมานั้นจริงๆแล้ว เพื่อให้สามารถควบคุมให้เราสามารถเกิดปัญญาได้แต่ถ้าปัญญามาก่อนมันก็ไม่จําเป็นเลยก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตรงนั้นอืครับผมตอนนี้หลายๆคนที่บอกว่าบางทีภาษาไทยเราพูดแรงนะบางทีมือถือสากบากถือศีลนะครับคือคือมันมันถือถือดุดดุถือตามข้อบังคับที่เขาบอกเราบางทีก็ถือได้บางถือก็ถือไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องถือศีลเราไม่ทําชั่วเพราะเราแก้ที่ต้นเหตุคือเราทําลายความอยากเราแล้วคนที่ไม่มีศีลเพราะเขามีความอยากถ้าไม่มีความอยากเขาไม่มีเหตุผลที่จะต้องผิดศีลครับ เพราะฉะนั้นจากแนวคิดเนี่ยครับนำมาสู่วิถีปฏิบัติของศูนย์ทานคอยอยังไงครับเพราะว่าเท่าที่ผมอ่านหนังสือมาผมสังเกตว่ามันคือการปฏิบัติที่ไรรูปแบบนะครับ <Gener reject S 1> ครับตัวพ่อครูนําแนวคิดตรงนั้นส่งต่อมาตรงนี้ยังไงคือเมื่อมันเข้าถึงตรงนั้นแล้วมันก็ไปเห็นคําว่านาน า, นานจิตตังก็คือว่ า, าแต่และดวงจิตมันไม่เหมือนกัน<ช>การที่เราไปเอาวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยไปยัดเยียดให้เขาทําตามเราเหมือนเขาเป็นหุ่นยนต์เนี่ยมีกฎระเบียบให้กฎระเบียบเนี่ยมันมันมันมันไม่น่าจะใช้กับจิต นะเพราะจิตแต่ละดวงมีอนุสใสต่างกันเห็นไหมมีบารมีต่างกันมีที e ่มา ie ie ของมันไม่เหมือนกันครนะโดยเฉพาะถ้าเราเข้าไปถึงธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเรื่องอดีตไปด้วยนะหลายๆชาตินะอไอตัวนั้นนะที่เราจะเข้าใจว่านาน า, นานจิตต่างคืออะไรอเอาเป็นว่า25ปีที่นี่นศูนย์พระลานคอยไม่ได้สอนอะไรเลยเพราะครูไม่บังอาจใช้สมองโง่ๆอายุ65ปีไปสอนจิตที่พูดทุกวันนี้เล่าทั้งทางโลกทางธรรมให้ฟังเนี่ยเป็นแค่ ให้ให้ข้อคิดคทุกคนต้องปฏิบัติเองแล้วหาเทคนิคของตัวเองสอนตัวเองครับต้องหาเทคนิคของตัวเองเพราะจิตแต่ละดวงเนี่ยเรามีความเคยชินเราฝึกวิชามายาวนานมากหลายชาติรเรามีบา ร, รมีต่างกันเราก็เลยสะสมจิตที่ไม่เหมือนกันอเพียงแต่ว่าที่นี่เราจัดที่พักให้มีที่มีที่ ท, ท, ที่ที่ทานอาหารแล้วก็มีที่ปฏิบัติ เราสร้างอารมณ์ให้สร้างสิ่งแวดล้อมให้แต่และดวงจิตเนี่ยต้องหาวิธีของตัวเองซึ่งคนที่เคยชินกับสูบรปิบัตรทำมอื่นๆที่มีพระอาจารย์มาคุมคมีการปฏิบัติที่มีรูปแบบชัดเจนของแต่และที่มาที่นี่ต้องเปลี่ยนความคิดยังไงบ้างครับ ก, ก็วางไอ้ที่เราเคยชินก่อนครับถ้าไม่วางมันก็ไม่ว่างจะติดอะไรก็ช่างน่ยจิตหลุดพ้นไม่ได้จิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมคือคุณต้องวางก่อนไม่ใช่ทิ้งมัน วางความยึดมั่นถือมั่นที่เราเคยชินก่อนเห็นไหมตอนนี้ที่เราไปเข้าปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนก่อนที่มันมีญาติธรรมผู้เป็นผู้นในการลงพยาบาลแห่งหนึ่งบอกว่าเขาไปมาเยอะเลยมันเป็นอุตสาหกรรมธรรมะทุกคนเข้าไปขึ้นขึ้นสายผ่านลําเดียงและไปตามที่เขาบอกเราเขาไม่เคยสัมผัสจิตอิสระเลยเป็นแค่เห็นสมาธิเห็นสติเขาไม่เคยเห็นคําว่าจิตเห็นจิตเลยเขามาเห็นที่นี่เพราะว่าที่นี่ไม่ถูกบังคับไง ที่นี่พ่อครูมีตาชี้ทางให้แล้วทุกคนเดินเองนะครับก็มันเป็นอะไรที่25ปีพ่อครูก็ได้เรียนรู้จากผู้คนมากหน้าหลายตา้ามานะยิ่งเห็นคำว่านานาจิตตังมันชัดมากครับจิตเห็นจิตคืออะไรครับจิตเห็นจิตคือว่าจิตปัจจุบันนะเห็นจิตใต้สำนึกซึ่งภาษาฝรั่งบอกว่า my conscious my sub conscious my unconscious มันมีหลายระดับตรงนั้นคือจิตปัจจุบันเข้าไปในเว็บไซต์ของ ของจิตแล้วไปเรียนรู้กับประสบการณ์จริงของเราที่โน่นนะจิตเดิมเราเนี่ยเขามีประสบการณ์เยอะค <ฮะ S 2> เพรพะครูพยายามดิกเลี่ยงเรื่องพูดเรื่องอ้างพุทธเจ้าหรืออ้างศาสนาน ะ, <ฮ>ะเขาเป็นว่าพระครูใช้ภาษาทั่วไปเนี่ยว่าโดยเฉพาะประสบการณ์ที่เราผ่านมาเองเนี่ย เ, เราต้องเข้าไปสัมผัสเองเข้าไปในเว็บไซ ต, ต์ตรงนั้น <ฮะ S 2> แล้วไปเรียนรู้กับอาจารย์เรา <ฮะ S 2> อาจารย์เราที่แท้จริงคือจิตเดิมเรา ผูเจ้าถึงบอกว่าบอกว่าไม่อ้างก็อ้างแหละอย่าเพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราใช่ไหมให้ลองเองท่านงจง<ๆ>มาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นทรรผู้นั้นเห็นเราตถาคตเมื่อกี้ พ, พ่อครูบอกไม่มีรูปแบบแต่ว่าถึงกนาดนั้นก็ตามที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมที่ค่อนข้างตายตัวใช่ไหมครับอันนั้นไม่ถือเป็นรูปแบบนะครับไม่ใช่เรากินข้าวเราอาบน้ําไม่ใช่รูปแบบมันเป็นหน้าที่คนะทัาา้งหมดนี้ในการปฏิบัตินะครับ จนในในการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้เข้ายุ่งไปในรายละเอียดครับถ้ามีถ้ามีรูปแบบตายตายตัวเนี่ยทุกคนต้องทําท่าเดียวกันกําหนดเดียวกันอะไรแบบเขาเรียกว่ามีรูปแบบไอ้นี่ไม่มีรูปแบบแบบนั้นอเพียงแต่ว่าเราอยู่ร่วมกันเราต้องรู้เวลากินข้าวเมื่อไหร่ครับเวลาจะดําเนินปฏิบัติจิตเมื่อไหร่นะราวางวางระบบเฉยแต่เราไม่ลงลึกในระเบียบนะฮะที่นี่ไม่มีระเบียบไม่มีกติกาไม่แต่ข้อหนึ่งแต่มีระบบให้มีระบบระบบก็คือว่าโอเค โซนที่พักนะครับโซนอาหารนะรโซนปฏิบัตินะแล้วเวลาแค่นี้นะแล้วไม่ใช่ว่าใครต้องมาไม่มาก็ได้ไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะเราต้องรู้ว่าเวลาไหนมันเหมาะกับเราครนะที่นี่คือเราเราไม่เราไม่เพิ่มความเครียดชีวิตเรามันเครียดเราก็ทุกอยู่แล้วทําไมเราต้องมาเพิ่มความเครียดเพื่อเพื่อจะมันหายเครียดที่ที่นี่ไม่ทําที่นี่ไม่ทําำแล้วผมเอง อาจจะเคยลองสายนู้นสายนี้มาครับมาสายนี้ผมเองต้องปรับตัวหรือเตรียมความคิดยังไงก่อนที่จะเริ่มทำจริงๆงครับแต่ถ้าพ่อคูประสบการณ์ว่าครูบอกล้วพ่อคูนี่เป็นเป็นแฟนคขับคุณขับคุณคเป็นแฟนขับพวกคูเคยดูคุณสิงห์เนี่ยไปเข้าค่ายอาจารย์ติณธน์ครับเห็นไหมฮะครับครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยเต้นฮิปฮอปเล่นสงการแต่ทีนี่สังคมไทยต้านรับไม่ได้ ยกใจอย่างนะแต่ถ้าว่าเอยเอยถึงท่านหน่อยเนาะจะได้มองมองอะไรเนี่ยถ้าท่านยังอยู่เวียดนามยังอยู่ทางอาเซียนเนี่ยท่านทําอย่างนั้นไม่ได้และท่านไม่มีเหตุต้องทำนะเพราะว่าที่นี่เรามีกติกาอะไรเราสร้างศรัทธาอยู่แล้ว <S S แต่ไปอยู่ตะวันตกเนี่ยทําได้ไม่มีปัญหาไม่ใช่ใชท่านต้องพัฒนาตรงนั้นให้มันเข้ากับสังคมสมัยใหมจ่จริงๆอันนี้นี่คือพราะกูเห็นจิตเห็นเห็นท่านทําอย่างนั้นเพราะอะไ ร, รใช่ไหม คือคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะตะวันตกเนี่ยเขาต้องการเหตุผลเขาไม่ต้องการสั่งการถูกบังคับให้เป็นหุ่นยนต์แต่ถ้าอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าเค้าเชอร์เราอะไรเรื่องในวัฒนธรรมศา ส, สนาเราเนี่ก็ไม่อนุญาตให้ทํำแบบนี้ครับแล้วก็เลยคือเราไม่ได้ผิดนะไอ้เทคนิคที่เราพยายามเอาศีลเอาวินัยมาบล็อกเราเนี่ยเพื่อไม่ให้เราหลุดนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมั น, ม เ, ปนเป็นประโยชน์แต่ถ้าเราหลงมันเมื่ อ, อไหร่เนี่ยมันกลายเป็นโทษมันเป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินนะครับ อย่างอย่งคุณเสียงก็ไปสัมผัสตรงนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ยอมรับสินสองข้อเห็นไหมเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยเอ๊ะมันมันมีเหตุผลเนี่ยและที่ผ่านมาไม่เคยยอมรับเลยใช่ไหมเห็นไหมพวกคูยอดเนี่ยผู้เจ้าก็สอนแบบนั้นว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆคมันต้องมันต้องทําเป็นตัวแบบวิทยาศาสตร์เราต้องทดลองทดสอบก่อนแล้ต้องวางสมมุติที่มีมาก่อนหน้านี้ อ, อสมมติบัญญัติมันไม่ใช่ธรรมะ เราปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมะาก็ต้องวางสมบุติบัญญตัติถ้าเราไม่วางเราก็เข้าถึงธรรมะไม่ ไ, มได้โมด็ตคิดว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ใช่ไหมคือคือถ้าเราเข้าไปในจิตนี่เราต้องวางแม้กระทั่งความคิดครับวิปัสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเรายังคิดอยู่ยังมีการกระทําเกิดขึ้นยังสมถะกรรมฐานเรายังมีการควบคุมมันคอนโทนโฟกัสมันยังมีการกระทําอยู่วิปัสนาเกิดขึ้นไม่ได้ แต่ตัวนั้นเป็นบาดฐานบางทีเมื่อเรามีกําลังปุ๊บเราวางวางวางวางจนเข้าถึงฌาน4ี่เอกค้าตาลมคือมีอารมณ์อย่างเดียวคือสงบนิ่งนั่นแหล ะ, จะเจริญวิปัสสนาถึงแม้ว่าร่างกายจะเคลื่อนไหวเต็มที่ใช่แต่อารมณ์สงบนิ่งนิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวไม่จำเป็นต้องนิ่งข้างนอกแต่ข้างในคอยนิ่งถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นละ่ะข้างในก็นิ่งข้าง <c oughs> ข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในก็นิ่ง <c oughs> ทําไมเราต้องมีอ ร, ริยบท4เพราะชีวิตตนชีวิตเราต้องเคลื่อนไหว ไม่ใช่เวลาฝึกเราไปนั่งเหมือนหุ่นยนต์แล้วก็ควบคุมได้เพราะว่ามันไม่มีสปีดครับแต่ชีวิตเรามันมีอะไรกระทบเนี่ยไอ้ตัว น, นั้นฝึกมาไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่ฝึกมาใช่ใชครับไอ้ น, นี่คือว่าเวลาเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยแต่และเวอร์ชันมันไม่เหมือนกันเนี่ยรเราพยายามฝึกให้จิตเนี่ยอยู่ได้ทุกๆสถานการณ์ครับผมเคลื่อนไหวก็สงบนั่งอยู่เฉยๆก็สงบเสียงดังก็สงบเงียบๆก็สงบเห็นไหมเพราะชีวิตจริงเรามันเป็นแบบนั้น ผมอ่านในหนังสือสามชัม่วโมงบรรลุธรรมครับพ่อครูได้พูดว่าง่ายคือถูกต้องมอนแปลว่าอะไรครับง่ายคือถูกต้องเ อ, อที่เราเถียงกันว่าต้องทําให้ถูกต้องถูกต้องน ะ, ะทีนี้คนเราเนี่ยเรามักง่ายครับ<ะ>เรามักง่ายอะไรเรียกว่ามักง่ายสมมุติว่าเขาด่าเราใจบอกมันเจ็บใจครับ<ะ>บอกไม่ได้เธอต้องด่ามันคืนอถ้าจิตเนี่ยเป็นคนมักง่ายเรากลัวเราเจ็บใจแล้วก็ทําตามใจเลยนะไหมเราก็ด่าไปคืน แล้วสุดท้ายเขาก็ไปสร้างกรรมว่าจีกรรมแล้วคพูดเขาเข้ามาเกิดอารมณ์ด่าใช่ใช่คือว่าทุกชนมากเรามักง่ายเพราะเราตามใจกิเลสครับแต่ถ้าเกิดว่าในเวลานั้นน่ะเราฝืนกิเลสเราเป็นคนเราไม่ตามตามมันเราไม่ด่ารเราไม่ต้องอ้าปากเลยไม่ต้องสร้างกรรมเลยง่ายมากแต่ง่ายนี้ต้องแลกด้วยความอดทนอดกั้นครับแต่ทุกวันนี้เราเราเราเราเป็นคนมักง่ายไม่ใช่เป็นคนง่าย อะไรก็ช่างชีวิตเราก็ช่างถ้าเลือกอะไรที่มันง่ายๆอย่าให้ตัวเองทุกข์นั่นถือว่าคือความถูกต้องครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราหาเรื่องทุกข์กันเราทําอะไรมันยากๆให้ชีวิตสับสนคิดมากๆคเครียดหาความสุขก็ต้องคิดคยากๆ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าความถูกต้องก็คือความง่ายขอทำเรื่องสูนนี้นิดหนึ่งครับส่วนนี้นี่คือรันด้วยเงินบริจาคบนล้วนเลย ส่วนหนึ่งครับผมส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่เราพึ่งตนเองเนาะทำเกษตรทําอะไรๆบ้างเนี่ยครับผมก็ก็ก็พึ่งตนเองแล้วก็เห็นพ่อครูบอกว่าเงินที่พ่าครูหามาได้ตอนนี้ใช้หมดแล้วหมดหน้าที่แล้วที่เราต้องไปบริหารมันสบายใจเลยเหรอสบายใจมอบให้บริษัทมันเขาก็ดูแลทั้งสศูนย์นะโดยเฉพาะโรงเรียนตอนนี้เนี่ยเราเรากำลังพัฒนาอยากให้เด็กยากจนเนี่ยเขาเขาได้มีโอกาสครับ